ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้การกำหนดให้รู้ถึงสิ่งที่เป็นอันต ร, รายและสิ่งที่เป็นอุปการะต่อการปฏิบัติสมาธินั้นย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบได้ง่ายขึ้นในส่วนของความพยาปาฏ ้องแสดงว่าเป็นอันตรายของสมาธิอีกประการหนึ่งและความไม่มีพยาบาตก็เป็นอุปการะของสมาธิความพยาบาตนั้นเป็นอิเลสสกูลโทสังหรือสายโทสัทงทานพูดในกรณีที่ความรู้สึกอาฆาตพยยบาตนั้นเกิดขึ้นกรุ้มรลุมใจ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดความร่ารอรอย่างรุนแรงตามกำลังของความพยาบาตรที่บังเกิดขึ้นต้นเหตุให้เกิดพยาบาทนั้นมาจากปฏิฆาสัญญาหรือปฏิฆานิมิตได้กระจิตไปกำหนดหมายอารมณ์ซึ่งมากระทบทางประสาทสัมผัสว่า เป็นของไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจดังนั้นปัจจัยให้เกิดความพยาบาทจึงเป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งหกไปแกนรูปเสียงกงลิ่นรสผลิตภัณฑ์นธธรรมะหรือธรรมารมที่มันเกิดขึ้นภายในใจที่จริงเหตุให้เกิดก็มาจากทางเดียวกันกับการใม้ฉัน เพียงแต่กา ร, รมฉันเกิดขึ้นจากการกำหนดว่าน่าใครน่าปรารถนาน่าพอใจกิเลสสายโลภะก็เจริญเติบกลาขึ้นภายในใจในส่วนพยาบาทก็เกิดขึ้นจากการการกำหนดในลำนองตรงกันครับลักษณะความรู้สึกที่เป็นพยาบาททรงแสดงเป็นรูปปุปปามาเทียบเคียง ให้บุคคลตรวจสอบดูจิตของตัวเองเพราะเวลาความปยาบาทเกิดขึ้นสภาพจิตจะเหมือนกับน้ำที่ถูกต้มไว้เดือดธรรมดาน้ำเดือดนั้นถ้าบุคคลจะนำไปส่องดูเงาหน้าของตัวเองก็จะมองเงาหน้าไม่ชัดเจน ดังนั้นจิตที่ถูกครอบงำด้วยความพยาบามอาการทางกายทางวา จ, จาก็ไม่อาจที่จะควบคุมให้สงบได้คือมีปัญหาแม้ในชั้นศีลเพราะชั้นของสมาธิซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความสงบความพยาบาทจึงกลายเป็นอุปสรรคอย่างแรงก็ทมให้จิตใจของบุคคลล่นไป สมาธินั้นจิตนิ่งพยาบาทจิตแล่นซึ่งทำไปทำมาแล้วสิ่งทั้งสองประการนี้จึงเกิดร่วมกันไม่ได้หมายความว่าตราบใดก็ตามที่ใจยังมีภาพความพยาบาทแม้เพียงเล็กน้อยจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ได้แต่ถ้าสมาธิเกิดแล้ว ก็สามารถสงบความพยาบาทได้ความพยาบาทนั้นบางครั้งจะมีลักษณะการแล่นไปของจิตประรบเรื่องราวในอดีตบ้างในปัจจุบันบ้างอนาคตบ้างซึ่งสงใช้ความว่าอาคาดตวัตถุรือวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความอาคาดพยาบาท โดย ท, ทั่วไปมักจะประรูคนกัตสัตว์เป็นพื้นเปนไว้แต่คนที่ไม่ค่อยปกติเอามากๆที่อาจจะไปพยาบาทแม้ก้อนอิกก้อนหินหรือต้นไม้เป็นต้นซึ่งคร น, นี้ดูแล้วคล้ายๆจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก พยายามที่จิตใจเป็นปกติก็จะเห็นว่าอาการกริยาเหล่านั้นเกิดขึ้นจากโทสะหและความพยาบาทหรือความอาฆาตจนออกมาในรูปประทุสไรเช่นคนบางคนเดินไปสะดุดก้อนหินรู้สึกเจ็บก็เกิกเกดโทสะแทนที่จะให้เจ็บเท่าที่เจ็บแล้วนั่งจะเหตุผลสติปัญญาได้หายไป ใบปิก้อนหหตนั้นซ้ำอีกเพิ่มความเจ็บไ้แก่ตนอีกครั้งหนึ่งถ้ามองสืบสาวไปถึงต้นเหตุที่ให้บุคคลกระทำเช่นนั้นก็จะพบว่าปริมาณของความไม่พอใจที่อาศัยความเจ็บปวดเป็นเหตุมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเหตุผลสติปัญญาลดลง จึงทาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่คือกูลแก่ตนเพิ่มขึ้นโดยการเตะก้อนหินนั้นซ้าขึ้นหรือบางครั้งบางคราวที่มีการอนลวาดคว่างปลาทุกสิ่งของต่างๆถ้าสืบสาวลงไปถึงก้นบึ้งของจิตที่เป็นเหตุให้เกิดความคิดและการกระทำเช่นนั้นออกมาบุคคลก็จะมองเห็นว่าเกิดขึ้นจากความโกรธ คพยายามหรือความประทุษร้ายแล้วก็ออกมาในลนักษณะต่างๆเหล่า น, นั้นลักนณะการเหล่านี้เมื่อแรงของพยายามสูงขึ้นความสงบระงับในชั้นศีลก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ต้องกล่าวถึงความสงบระงับในชั้นสมาธิพอมาถึงชั้นสมาธิเป็นเรื่องของความคิดจริงๆ แต่ถ้าใจยังมีความพยาบาทใจก็จะแล่นและเล่นไปในอารมณ์ที่เป็นอนาคตเป็นอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้ในกรณีของการแล่นไปในอดีตนั้นไอ้ทรงแสดงไว้ว่าจะเล่นไปสามทางด้วยกันทางหนึ่งคือประรอบว่าคนนี้ได้เคยทําอันตรายต่อเรา หรือคนนี้ได้ทำอันตรายต่อญาติาตมิตรของเราประรบการกระทำไม่ดีของบุคคลอื่นที่มีต่อ ต, ตนและญาติมิตรของตนจะเก็บความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ภายในใจกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทแต่ดังได้กล่าวมาแล้วว่าใจที่ประกอบด้วยความอาฆาตพยาบาทนั้นสติปัญญามีกำลังอ่อน จึงไม่สามารถที่จะคุ้มครองใจของบุคคลที่ถูกพยาบาทครอบงาได้เวลาเขาทำไม่ดีก็เกิดพยาบาทพ็เขาทำดีก็เกิดความพยาบาทเหมือนกันในข้อที่สามยังทรงแสดงว่าเกิดความอาฆาตหรือความพยาบาทว่าคนนี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คื้อกูลต่อตรูลม การกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นนั้นแ ท, ท้จริงแล้วเป็นการกระทําดีแต่พอดีใจของบุคคลไปกําหนดผู้ที่เขาเขากระทาความดีด้วยในฐานะเป็นศัตรูความรู้สึกในแนวหนึ่งก็เกิดขึ้นที่พระเจ้าทรงใช้คําว่าความโกรธที่เกิดจากความโกรธข้อนี้เป็นเหตุตัวยอย่างเช่น นายกโกรธกับนายคอเวลานายคอไปทําความดีกับนายคนายโกรนายก็โกรธนายคอด้วยทั้งๆที่นายคอทาความดีเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าความโกรธเกิดเพราะความโกรธคือเราโกรธนายคอเพราะนายคอทาความดีก็โกรธนายคอพ่วงเข้าไปด้วย โดยอาศัยความโกรธในเคะในเคเป็นเหตุนี่นี่คือลักษณะการล่นไปของจิตที่ทรงวิเคราะห์ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตในขณะนั้นๆแล้วก็สืบสาวไปถึงต้นเหตุที่ให้เกิดอาการเช่นนั้นคิดมาบางครั้งก็อาจจะประรบการกระทำของบุคคลอื่นในปัจจุบัน เป็นประลบว่าคนนี้กำลังทำอันตรายต่อเราคนนี้กำลังทำอันตรายต่อญาติมิตรของเราหรือคนนี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูเราเป็นการประรบในขณะนั้นๆแต่ในชั้นของการปฏิบัติทำจิตให้สงบบุคคลจะพบว่าแม้บางครั้งการกระทาของบุคคลนั้นไม่ได้จงใจ จะให้เป็นอันตรายต่อเราแต่เราก็เกิดไปกำหนดหมายขึ้นว่าคนนี้ทำอันตรายต่อความสงบของเราสมาธิก็แตกได้เพรความไม่พอใจหรือความไม่ยินดีหรือการกระทบกระทั่งคราวนี้ผู้ปฏิบัติจะสังเกตเห็นได้ว่าในขณะที่นั่งสมาธิอยู่นั้นบางครั้งมีใครไอขึ้นจามขึ้น หรือใครกระทาเสียงให้รบกวนสมาธิของตนความรู้สึกไม่พอใจก็จะวิ่งไปรับอารมณ์นั้นโดยการกำหนดหมายว่าคนนี้ทําอันตรายต่อเราซึ่งกรณีจะเห็นว่าถ้าบุคคลได้ใช้ปัญญาเข้าไปตัดเข้าไปพินิจพิจารณาก็จะพบว่าการไอาการจามนั้นเป็นสิ่งที่ใครคุมไม่ได้ ไม่มีใครปรารถนาที่จะทําเช่นนั้นแต่ก็ไม่มีใครคุมมันได้เพราะเป็นอาการทางกายตาใจบุคคลมีความรู้สึกที่ประกอบด้วยปัญญาหรือประกอบด้วยเมตตาก็ไม่วิ่งออกไปรับแต่วิ่งออกไปก็จะวิ่งไปรูปของความกรุณรตาความสงบก็จะบังเกิดขึ้นภายในใจ แต่พอวิ่งไปด้วยความกระหนดหมายดังกล่าวความไม่พอใจไม่ยินดีจนถึงอาการพยาบาทก็เกิดขึ้นในขณะนั้นๆและบางครั้งอาจจะวุ่นวายไปถึงเสียงรถเสียงเครื่องยนต์นกลไกต่างๆนั่นแสดงให้เถึงความไม่สงบในด้านจิตที่เกิดขึ้นแทนที่จะอยู่ภายในจิตของตัวเองกลับวิ่งออกไปรับข้างนอก ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นจะเห็นว่าถ้าจิตปิ้งออกไปข้างนอกโดยขาดปัญญาเป็นเครื่องควบคุมแล้วก็ชื่อว่าผิดทางตามปกติแล้วจะต้องอยู่ภายในจิตคืออยู่ที่นิมิตหรืออารมณ์ของกรรมฐานที่กำหนดระลึกในขณะนั้นนั้น วิ่งออกไปข้างนอกความสงบ ม, มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตต้องวิ่งไปแต่บางกรณีมีกรรมฐานบางประเภทที่เป็นการมองจากข้างนอกเหมือนกันแต่มองยังมีสติสามาัญญาและความเปลี่ยนเป็นตัวควบคุมมองแล้วก็ดึงกลับมาหาเราเช่นการดู อสุภกรรมฐานซึงเป็นซากศพที่มีอยู่ภายนอกตัวเราแต่เมื่อดูแล้วก็น้องก็ามาหาเราอเอวังธรรมโมเอวังพาวีเอวังอนัตติโตแม่เราเองก็จะเป็นอย่างนั้นสภาวะมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้แม่เราเองก็จะเป็นอย่างนั้น ไปดูศพตายห้าวันถ้าเราตายห้าวันก็มีลักษณะอย่างนั้นไปดูศพตายมาสิบวันเปื่อยหน้าผุฟังไปมากแล้วถ้าเราตายไปสิบวันมันก็เหมือนกันเป็นการดึงกลับมาหาตัวราการปฏิบัติเป็นเรื่องที่จิตใจกิเลสตัณหาก็เกิดขึ้นที่ใจการจะดับเมื่อก็ดับได้ที่ใจ แต่ถ้าไปดับที่อื่นมันก็ไม่สามารถที่จะดับได้ข้อนี้เพิงสังเกตว่าเวลาทรงแสดงโดยละเอียดพิสดารที่ให้บุคคลมีสติสมัจัญญา ล, ลึกรู้ทันถึงกิเลส ท, ที่ังเกิดขึ้นภายในจิตในแต่ละขณะในลักษณะที่ถี่จิบทรงสอนในยะของสมุทัยวานในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ไอ้บุคคลดูถึงว่าตัญหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ตาหูจมูกลิี้ยนกายใจเคอเกิดที่รูปเสียงกลิน่นรสปุถะธรรมรมหรือเกิดจากความรู้อายตนะภายนอกคือรูปเป็นต้นจะเกิดจากการกระทบระหว่างอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณที่เรียกว่าสัมผัสหรือว่าเอออาจจะเกิดจากสัญญา คือการจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลตะ่ะและจำธรรมะเอาไว้ตัณหาเราก็เกิดได้เกิดจากการทรงจำจำรูปสวยๆเอาไว้ก็เกิดกามาตัณหาจำรูปไม่ดีเอาไว้มันเกิดวิภวตัณหาจำฐานะต่างๆที่น่าใคร่น่าพอใจมันก็เกิดภวะตัณหาหรือบางทีใจก็ไปเหนี่ยวนึกมันก็เกิดตัณหาได้ หรือบางทีในตัวของตัณหานั้นเองมันก็เพิ่มตัณหาได้ทำนองใกล้ๆกับเรารับประทานของอร่อยแล้ว เ, เกิดความพอใจยินดีแล้วก็อยากรับประทานอีกเป็นตัณหาที่เกิดซ้อนอยู่ในตัณหาบางทีอาจจะเกิดจากความมิตกเกิดเร็วนึกถึงสิ่งเหล่านั้นถ้าในแง่ดีว่าเกิดการมาตัณหาเพราะวัตตัณหา เราจึงดลือ ก, กได้ง่ายไม่ดีมันก็เกิดเป็นวิราตันหาในการต่ายจองก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาทรงแสดงการดับมันก็ดับตรงนั้นมาความมักรเลดเกิดที่ใดก็ดับที่นั้นตันหานั้นเกิดที่จิตเพราะจิตเป็นตัวกำหนดหมายอารมณ์จิตมีความพอใจในอารมณ์จิตมีความอยากในอารมณ์ ดังนั้นเวลาจะดับก็ทรงสอนให้ดับที่จิตคนใดเป็นคนอยากคนนั้นจะต้องหยุดความอยากก็คล้ายๆกับว่าใครเป็นคนสร้างปัญหาคนนั้นก็เป็นคนแก้ปัญหาปหัญหามันเกิดที่ใดมันก็แก้ตรงนั้นเจ็บปวดตรงใดมันก็แก้กันตรงนั้นหรือมีบาดแผลตรงใดมันก็แก้กันตรงนั้นเป็นต้น นี้ก็เป็นลักษณะตามธรรมชาติธรรมดาดังนั้นเมื่อจิตวิ่งออกไปในลักษณะดังกล่าวก็ห่างสมาธิออกไปโดยลาดับได้เวลาวิ่งไปแล้วไม่ได้วิ่งไปเฉพาะจุดที่วิ่งจะวิ่งต่อไปทังการสายไปของจิตในลักษณะนี้ที่ทรงแสดงว่าความโกรธเกิดเพราะความโกรธความโกรธเกิดเพราะความรัก คือจะวิ่งออกไปกระจายไปในลักษณะนั้นบางทีเกิดเพราะความรักก็ได้เช่นว่าบุคคลรักนายกอนายขอไปทำอันตรายแกนายกอก็เกิดโกรธนายขอขึ้นมาด้วยนี่คือจิตจะวิ่งไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดการวิ่งมีลักษณะดเดียวกับการวิ่งของกลามมชัน แต่การวิ่งแนวการมาชันนั้นวิ่งเพื่อปล่อยกว้าอุ้มรัดเอาไว้แต่การวิ่งของพยาบาทเป็นการวิ่งต้องการจะทำลายล้าง้องการเล่นความพิบัตเดือดร้อนแตกทำลายไปทั้งสิ่งเด็ดนั้นแต่สรุปว่าทั้งสองฝ่ายยิ่งวิ่งเท่าไรก็ยิ่งห่างสมาธิออกไปบางทีไปไกลจะตั้งหลายหลายปีบางทีคาดหมายถึงอนาคดตดจะตั้งหลายหลายปี พระเจ้าจึงทรงแสดงให้เห็นว่าจิตนี่มันไม่นิ่งไม่สงบมีลักษณะกลิ้งไปไม่มั่นคงมันก็ะยาดน้ำที่ตกลงบนใบบัวแล้วก็ลมพัดที่ใบบัวด้วยมันก็กลิ้งกองมันไปเรื่อยๆจิต ใ, ใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นนั้นมีอารมณ์เป็นตัวกระตุน้นมีกิเลสเป็นตัวผลักดันให้จิตวิ่งไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสายของพยาบาทนั้นอาจจะออกมาในรูปคาดหมายถึงเรื่องราวในอนาคตก็ได้ถึงทรงแสดงไว้สามทางเช่นเดียวกันว่าคิดว่าคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราอาจจะเป็นอันตรายต่อญาติมิตรของเราหรืออาจจะเป็นประโยชน์คือกุลต่อศัตรูเราก็เกิดความคาดพยาบาทได้ คนนี้จะเห็นว่าพฤติกรรมเป็นอันมากของบุคคลที่ถูกแรงผลักดันของอกุศลเกิดขึ้นปรุงจิตให้กระทำออกไปทางกายบางทางวาจาบ้างแต่ถ้าบุคคลย้อนกลับไปดูที่จิตซึ่งเป็นเหตุให้คิดแล้วกระทำเช่นนั้นก็จะพบว่าเกิดจากความโกรธโดยความคาดหมายของเขาเองเที่มักจะได้ยินข่าวถึงการฆ่าปิดปาก โดยกลัวว่าคนนั้นจะเป็นอันตรายต่อตัวนี้หรือคาดหมายว่าคนนั้นจะเป็นประโยชน์คือกูลต่อศัตรูของตนว่าจะฆ่าปิดปากจะได้ปยาบาิพวกนี้ถ้าแรงออกไปมันก็ผิดศีลแต่ถ้าเกิดภายในจิตแล้วก็มีปัญหาในด้านที่เป็นอุปสรรคต่อสมา ธ, ธิดังนั้นจึงทรงสอนให้มองเห็นในแง่ที่เป็นอันตราย แต่เนื่องจากพยาบาทเป็นเรื่องของนิวรณ์ด้วยในการปฏิบัติจึงทรงสอนให้รู้ในแต่ละขณะของความคิดเช็นพยาบาทมันเกิดขึ้นภายในจิตก็รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนี้พยาบาทมันเกิดขึ้นภายในจิตของเราและมองเห็นพยาบาทเป็นอันตรายถ้าจะปฏิบัติในแนวของการละ เขพยายามกำหนดศึกษาว่าพยาบาทที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะพยาบาทเป็นนยึดครองใจเราตลอดไปมีโอกาสเป็นนั้นมากที่กุศลสุจริตปรุงแต่งกิตให้มีความสุขมีความสงบมีความยิน ด, ดีในทรบเพราะพยาบาทเองมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยก็สืบสาวไปจะพบว่าปฏิฆาในมิตรหรือปฏิฆาสัญญาเป็นเหตุที่เกิดพยายามความพยาบาท ถ้าสาวใด ย, ยังมีการกําหนดอารมณ์ในลักษณะนี้อยู่ดันั้นพยาบาทก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อเลิกการกําหนดความพยาบาทก็จะซึสงบตามไปกรนีเพิ่งสังเกตได้ว่าบางครั้งเป็นเรื่องปรุงคิดคิดปรุงของเราเองสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นตามที่เราคิดว่าเป็นแต่เมื่อเราไปปักใจว่าเป็น ความรู้สึกไม่พอใจก็เกิดขึ้นจนแล่นไปมุ่งไปที่จะให้เกิดความพิบัติเดือดร้อนแกบุคคลที่เราคิดว่าจะเป็นข้าศึกศัตรูตนๆหรือว่าเรื่องที่เป็นอดีตที่จริงมันเรื่องเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตแต่บุคคลก็มาปรุงแต่งขึ้นลักษณะจะพูดโดยสัมนวนธรรมดาก็คือปลุกผีขึ้นมา จริงเรื่องเหล่านั้นก็ตายแล้วแต่ปลูกผีขึ้นมาหลอกตัวเองแล้วก็หวาดกัวเองแล้วจับค่ายเองแล้วหัวกรนเองทั้งหมดเป็นเรื่องปรุงของตัวเองทั้งหมดปัญหาสำคัญในการปฏิบัติจึงอยู่ที่ความฉลาดในกระบวนการของจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องความคิดี่จยิงอาการ์เหล่านี้ถ้าเทียบ ความเคลื่อนไหวทางกายบุคคลก็จะเห็นได้เช่นว่าเราไปเหยียบตรงที่ใดก็ตามเป็นน้ำหรือมีความร้อนหรือเป็นหลุมบอ่อก็ยกเท้าออกเสียได้ถ้ามีสติระลึกถัานทิน้งโรงนั้นไม่อาจจะททำอันตรายได้แต่ถ้าหากว่าขาดสติก็าอาจจะถูกน้ ำ, ำําอาจจะถูกความร้อนเผาเอาอาจจะตกลงไปในหลุมบ่ อ, อ ก, ก็ได้ ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มประภทิยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี